ก่อนจะดำรงทรงภาษาศาสนามาถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีนะั้นไม่ใช่ของง่ายๆนะแต่ใหม่ๆกับเหมือนกับพวกเราเราท่านๆบวชใหม่ก็ต้องล้มลุกทุกขานเชื่อบางไม่เชื่อบางได้บา ง, ไ, บางไม่ได้บางดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อย่าให้มันเสียถึกเลยทีเดียวถ้าว่าเสียเลยทีเดียว น, นั้นใช้ไม่ได้เสียเลยทีเดียวก็เหมือนกับต้องอบัตหนักถ้าเป็นพระกับปราชิกสี่ ถ้าเป็นกระวาศก็อนันตริยกรรมห้า <Hey. S 1> มาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอารหันตะคาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาททำร้ า, ายพระพุทธเจ้ายัางพระโลหิตให้ห้อสังฆเภทยุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่าย hmm. อันนั้นบาปหนะ น, นักนันมาอนันตริยกรรมห้าอย่างพระเจ้าซาตรู พระเจ้าซาตสตรูที่เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารนี่ลูกชายพระเจ้าพิมพิสารกักขังพ่อฆ่าพ่อว่างั้นเถอะจนพ่อสวรรคตพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตพ่อน้ํามือของลูกชายคือพระเจ้าอาาตสตรูพ่อฆ่าพ่อตายแล้วก็เทวทัตก็ให้พระเจ้าซาตรูเป็นมือขวาว่างั้นเถอะพระเทวทัตวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้า ให้นายคำังธนูผู้แม่นธนูของพระเจ้าสาร้างศัตรูไปยิงพระพุทธเจ้าก็ไม่สําเร็จล่อยช้างนาลาคิลินจะให้ฆ่าพระพุทธเจ้าช้างนาคิลิงก็มาหมอบโดยพระเมตตาพระพุทธเจ้าฆ่าไม่ได้บนที่สุดเทวทัตก็ขึ้นบนภูเขากลิ่งก้อนหินลงมาเพื่อจะทับพระพุทธเจ้าจะทําให้สะเก็ดหินสะเก็ดหินที่มันแตกกระทบกัน่กระเด็นมาถูก เท้พระพุทธเจ้ายังพะโลหิตให้ห่อเหมือนนนะก็ทำให้พระเทวทัตเนี่ยเห็นไหมไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยถึงจะก้อนหินไม่ทัพก็ยังถึกจะเกล็ดหินอยู่เทวทัตก็ได้ใจออันนี้ก็ต่อมาพระเทวทัตแผ่นดินสุขพระยังสังฆเพทยังสงให้แตกกันยูโยงสงบวดใหม่เข้ามากะยุโยงให้สงแตกจากพระพุทธเจ้า ไปแยกตัวออกไปจากพระพุทธเจ้าจากนนั้นพระโมกขาลาภาษาริบุตรก็ไปเทศพระใหม่เหล่านั้นให้รู้จักคุณงามความดีนั่นคืออะไรรู้จักดีรู้จักชั่วพระสงฆ์เหล่านั้นก็กลับใจมาเป็นพักพวกภาษาริบุตรพระโมกขาลาเขามากกาพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเกิดเสียอกเสียใจสิเลยป่วยอาเจียนเป็นเลือดลากเลือดมางั้นเถะอาเจียนเป็นเลือดออกมา ป่วยกระทันหันพกเสียพระไทยอย่างมากเสียใจอย่างมากจะมากราบพระพุทธเจ้าก่อนที่พระเทวทัตจะไปจากพระพุทธเจ้าน่ยตอนแยกสงให้แตกกันน่ยบอกว่าเราจะไม่ร่วมสังฆกรรมเราจะไม่มาหาพระพุทธเจ้าอีกเราจะไม่เคารพพระพุทธเจ้าอีกอเราจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาวันนั้นเถิดเทวทัต ทีนี้เขาประกาศตัวเองแล้วเขาจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วจากนั้นเขาก็เลยแยกสงฆ์ไปเพราะแยกสงไปพอเขาป่วยเขามาเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้เขาจะมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัตเขาประกาศแล้วตั้งแต่วันแรกว่าเขาจะไม่มาไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะมากราบไม่อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเขาจะไม่เห็นเราเขาจะไม่เห็นหน้าตถาคต เทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราอีกต่อไปอแต่นี้พอเทวทัตป่วยหนักเข้ามาก็ให้พระสงฆ์หามตัวเองมากัน้นเดินไม่ได้แล้วหามมากราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์บอกว่าไอ้ที่พาไปยังไงเ อ, อสมัยเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่จะฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รูว้ว่ากี่ครั้งพอป่วยเข้ามาแล้วจะสำนึกโทษได้เหรือเทวทัตบอกปัญญาเลยพวกท่านอย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยใจของพระองค์เหมือนกับแผ่นดิน อไม่มีศัตรูไม่มีคนนั้นรักคนนี้ชังจิตของพระพุทธเจ้าเสมอหมดทั้งหมดเป็นธรรมทั้งหมดข้าพเจ้าสํานึกได้แล้วเห็นโทษแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนผิดพราะพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็อ่อนวอนพระสงค์เหล่านั้นพระสงค์นั่นก็เลยเอา้าหามก็หามหามไปเตยใส่ตะแค่หามเหมือนกัน่ะถามเทียวถ้าถามมาเรื่อยเรืย พระอนุลก็รับทราบว่าพระเทวทัตมาถึงที่ไหนพระอานุลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากราพระอานุ์มาถึงที่นู่นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถึงจะมาก็ไม่เห็นหน้าตถาโคตเพราะเขาประกาศแล้วไดก็หามเข้ามาหามเข้ามาเขามาใกล้แล้วพระเจ้าข่าวถึงกรุงสวัสดีแล้วท่ออพระพุทธเจ้าเออถึงจะมาใกล้ก็ไม่เห็นหน้าตาคตราระเนี่มาถึงหน้าวัดแล้วพระเจ้าข่าวั่นเออถึงหน้าวัดก็ไม่เห็นพระเนี่ยผลว่า ตอนนี้พอถึงหน้าวัดน่ะหน้าวัดมีสระบกกรณีอยู่ส a b หนึ่งส a b ใหญ่พอมาถึงที่นั่นแล้วพระสงฆ์ที่หามมาก็เหนื่อยน่ยเมื่ะกันเงืเ่อตกเหงื้อแตก อ, อก่อนที่จะเข้าไปการาบพระพุทธเจ้าควรจะอาบน้ําชำระกายซะก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะก็เลยวางเตียงพระเทวทัตไว้ในขอบสระจากนั้นพระสงฆ์ที่หามก็ลงไปอาบชำระล้างร่างกายพระเทวทัตนั่งอยู่บนเตียง พอนั่งขึ้นมาเลยงวงเงียนลุกขึ้นมานั่งเลยพอนั่งขึ้นมาก็เลยย่อนขาลงไปในดินพอย่อนขาลงไปในดินแผ่นดินก็แยกเลยว่างั้นแต่ตอนี้พอแยกลงไปดูดลงไปแลว้วงั้นน่ยดินดูดว่างั้นแต่แผ่นดินสูบว่างั้นแต่ลงไปถึงหัวเขา่าถึงเอวถึงจังเกือแต่ศีษะกระเทวทัฒน์ก็บอกโอ้ยข้าพรเจ้าขอกาบไหว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้า ขอพระพุทธองค์จงอโหสิให้ข้าพเจ้าที่ได้กระทํามาทั้งในอดีตถึงปัจจุบันข้าพเจ้าไม่มีสิ่งที่จะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนอกจากกระดูกของข้าพเจ้ากระดูกข้างของข้าพเจ้าเนี่ยขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าขอพุทธองค์จงอโหสิให้ข้าพระพุทธเจ้าโดยเทินแปลว่าให้พระพุทธเจ้าอโหสิให้ครั้งสุดท้ายว่างั้นเถอะเนี่ยจากนั้นแผ่นดินก็แยกสุบปุ๊บลงไปลยตกอเวจีมหานรก เดี๋ยวนี้ไฟยังไหมอยู่ด้เนี่ยอันนี้เป็นว่าพระเทวทัตเห็นโทษครั้งสุดท้ายเห็นคุณงามความดีพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายเอี่ยยังดีที่พระพุทธองค์บวชให้พระเทวทัตแต่ครั้งแรกนะกัเนี่ยก็รู้อยู่แล้วพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระเทวทัตจะเป็นผู้เบียดเบียนพระองค์ทำไมพระองค์จึงบวชให้ก็เพราะว่าเทวทัตจะเห็นโทษในครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้เกิดอีกเมื่อพ้นจาก กรรมชั่วของท่านแล้วท่านจะได้เกิดอีกจากนั้นท่านจะได้เป็นพระปฏิเจกพ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ถ้าหากว่าพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นโทษไม่ได้บวชไม่ได้เห็นโทษไม่รู้จักคุณงามความดีเเลยพระเทวทัตตายไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดอีกว่าเง้นเถอะ <H ö? S 1> นรกบอกไม่จะเผาอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ไดเลเึกถึงคุณงามความดีเพราะพรเทวเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากพระเทวทัตก็เลยเห็นโทษในตัวเอง ขอกราบคารวะขอเอาให้พุทธองค์โอ้โหสิให้เนี่แหละจากนั้นพระเจ้าซาตัวก็กลัวตายแลยแต่เนี่ยกลัวบาปโอ้โหตัวเทวทัตกับแผ่นดินสูบลูกพี่ใหญ่เอาอยัางไงฆ่าเนี่ยงั้นก็ฆ่าพ่อเหมือนกันก็เป็นลูกศิษย์ของเทวทัตอีกอืมแต่วันกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วงั้นเถอะคิดเวลาไหนก็คล้องใจเวลานั้นจนถึงวันหนึ่งเป็นวันเดือนหงายเดือนสิบสองเพนไปชุมพวกอํามาตราชเสวกทั้งหลายว่างั้นเถอะ บอกว่าเอเดินหงายอย่างเนี้ยเราจะไปที่ไหนดีหมอชีวโกโกมาละพัฏก็เลยบอกว่าไปกราบพระพุทธเจ้าดีคนอื่นก็เสนอไปทางอื่นตามที่ต้องการบางคนก็เสนอไปเที่ยวสนุกสนานเต้นราก็ดีพระ อ, องค์อยู่ในวังในเวียงก็ง่อมเงาเฉยๆดิต่างคนก็ต่างเสนอของใครของเราแต่หมอชีวกเป็นพระโสดาบันเลยชีวโกโกมาละพัฒเนี่ยอควรจะไปกราบพระพุทธเจ้า โอ้ไปได้พระเจ้าข่าเออปก็ไ ป, ไปคืออยากไปอยู่แล้วในใจแบบนั้นเถอะแต่ไม่กล้าเพราะตัวเองตั้งเป็นศัตรูพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัฒนออ์ก็รู้รกันอยู่แล้วปล่อยช่างนาลาขีเลี้งบางปล่อยนายกำมังธ น, นูบางอะไรต่วบางเขาก็รู้กันอยู่พระเจ้าอาจารย์ศัตรูก็ไม่กล้าไปแต่ผลที่สุดพระองค์ก็หพาบริษัทบริวารไปแหละเนี่ยหกทหารอืขี่ช้างเตรียมพร้อมเหมือนพระราชาไปที่ไหนก็ต้องเตรียมพร้อมนะ พอไปถึงหน้าวัดเวรุวันหมอชีวกก็บอกให้จอดขบวนไม่นี้ก่อนเพราะหมอชีวกจะเข้าไปกราบทูลพระเจ้าก่อนมาพระองค์จะให้รับให้เข้าไปให้เข้าไปไหมให้เข้าพบได้ไหมหมอชีวกเป็นคนภายในเด้อรู้จักพระพุทธเจ้าเด้เป็นหมอรักษาพระองค์เด้อหมอชีวกก็เลยเข้าไปเห็นพระสงฆ์นั่งอยู่บนศาลากับพระพุทธเจ้านะครับว่าวท่านก็รู้นะพระเจ้าอาส า, ศารุจะเสด็จมานั่ง หมอชีวกก็เลยเข้าไปกราบพระองค์ก็บอกเออเข้ามาได้ให้เข้ามาได้แต่นี้หมอชีวกก็รีบมาบอกขอให้พระองค์จอดทับไปนี้ก่อนขอให้พระองค์เสด็จเข้าไปพร้อมกับทหารองคลักษ์ผู้ที่จําเป็นแเดินลงจากหลังช่างก็เดินไปเข้าไปในวัดพราะพระเจ้าศัตรูเป็นผู้มีศัตรูมากเลยมาเคยทําอะไรต่ออะไรฆ่าพ่อเขใช่เดินเข้าไปนี่หวาดเสียวสันหลังเราเงี้นโอ้ทำไม มีเบลวางเวงมากนักไปเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันเหมือนกันเถอะแต่นี่หมอชีวกพาเดินเดินเดินนำไปแต่พระเจ้าซาตรูก็รู้สึกว่าเสียวเหมือนกันเหมือนกันเถอพะพอเดินเข้าไปไม่เคยไปอย่างนั้นพอไปเห็นพระพุทธเจ้าไปกราบพอกราบพระพุทธเจ้าถ้าว่าพระพุทธเจ้าหยุดอยู่ไม่พูดเลยนะ่ให้พระเจ้าซาตรูพูดก่อนพระเจ้าซาตุรจะไม่พูดเด็ดขาดเหมือนกันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเหมือนกันเถอะนีอ บว่าวพระเจ้าซาตูคงจะหัวใจแตกว่างนั่นตอนนี้พอไปกราบแล้วพุทธองค์ก็บอกเออมหาพรบพิษไปยังไงมายังไงทําไมมาค่ําคืนมีอะไรไหมพอพุทธองค์พูดเท่านั้นเองพระเจ้าซาตูโอ้ดีอกดีใจดีพระไทยอย่างมากว่างั้นะจากนั้นพุทธองค์ก็เปิดโอกาสให้ถามถามปัญหาพระเจ้าซาตูก็ไลยถามปัญหาเรื่องสามมายาผลเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยละ เติงทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วยเตงบาปเติ่งบุญเลยพุทธองค์เทศให้ฟังพอเทศให้ฟังท่านก็ปีติอินดีเคารพเลื่อมใสประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเลยแปลว่าผู้ร้ายกลับใจเหมือนกันเถอดช่วสุดๆแล้วก็กลับใจเหมือนกันเถิดจากนั้นก็กราบพระพธองค์กลับพ้านนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระเจ้าซาสัตศัตรูเนี่ยได้ฟังเทศวันนี้เนะี่ย เทสนาว่าการวันนี้ภยัยเลาะเพราะเพียงมากพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ได้มักได้ผลขั้นใดหนอะพระเจ้าข่าวพระองค์บอกว่าไม่ได้เพียงแต่ถึงขั้นเขาลบเลื่อมใสในพระไตรสารนคมในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงเท่านั้นยังไม่ได้มักได้ผลเพราะว่าเขาฆ่าพ่ออนันตริยกรรมตอนนี้เขาว่าคุณงามความดีของเขาในใจหมดแล้ว หมดว่างั้นเถอะหมดมักหมดผลว่างั้นเถอะคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ะหมดมักผลว่างั้นในจิตใจแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ฆ่าพ่อนะวันนี้เขาฟังเทศนเขาจะได้สําเร็จพระสูดาบันพุทองค์ว่างั้นนะแต่นี้เขาฆ่าพ่อเสร็จแล้วหมดมักผลนิพพานในใจเ่าแล้วอ่าก็น่าเสียดายจากนั้นก็ไม่นานพุทธองค์ก็บริณิพานพอบริณิพานกับพระมหากัสถะเทระ ก็จะมีการประชุมสงฆ์สมเดือนจำพรรษาสามเดือนทําสังฆายยนาก็เลยหาที่ไหนเมื่อใดก็เข้าไปหาพระเจ้าซาสตรูเนี่ยเป็นาศาสนูปถัมภกให้พระเจ้าประดินเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์ในการดูแลทุกอย่างเรื่องอาหารการบริโภคการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ที่มาประชุมพระเจ้าซาสตรูก็ยินดีรับอย่างยิ่งเหมือนนั่นเถิดจัดสถานที่ที่ถ้ำสตบรนนัูหา ดูแลพระสงฆ์อย่างดีพระสงฆ์ห้าร้อยองค์เป็นล้วนเต็มเป็นพระหรหันต์มาประชุมกันพระเจ้าอาซาร์ตูดูแลทั้งอาหารทั้งน้ําปานะทั้งอะไรทุกอย่างเหมือนกันเถิดนี่แหละที่ทําให้พระเจ้าอาซาร์ตูเต็มตื้นขึ้นมาส่วนหนึ่งคือสร้างบุญกุศลอย่างอย่างมากเหมือนกันเถอดที่ได้ให้พระสงฆ์ได้เป็นาศาสนูปฐมภพให้พระสงฆ์มาประชุมสังฆายนาย คำพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็พระสงฆ์ที่มาเนก็นล้วนจะเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอทั้งห้าร้อยองค์ในถึงขนาดนั้นก่าถอพอตายไปแล้วยังตกอเวจียอยู่ไเอยค่าพ่อค่าแม่ไม่ใช่ธรรมดาตัดมักตัดผล่ว่างั้นเถอะอืมเข้าสู่อเวจีมหานรกนวละ่ะจะพ้นขึ้นมากัพลแรงนั้นเราไม่รู้เท่าไหร่แล้วว่างั้นเถอะนี่ว่าอนันตรียกรรมห้าบาปนับในพระพุทธศาสนา ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานถ้าเป็นคนก็ไม่ให้บวชในพุทธศาสนาถึงจะบวชแล้วก็ไม่เป็นพระเพราะตายจากคุณงามความดีแล้วทำไมเนี่ยละบาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะมีแต่คนตาบอดเท่านั้นะไม่เห็นหนำไม่เห็นอันตรายเห็นมีดอยู่ต่อหน้าเตะมันมนะันนั่นเพราะมันตาบอดแต่คนตาดีแล้วจะทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูปรชอาอาจารย์มีผู้สูงมีผู้ต่ํา มีผู้มีพระคุณรู้จักผู้น้อยรู้จักผู้ใหญ่รู้จักผู้มีพระคุณสาหรับตนน่ะมาตาะ ป, ประตูอุปทานะผู้ให้กําเนิดเกิดมาก็คือพ่อแม่เพราะนั้นผู้ใดหลบหลูบุญคุณพ่อแมนะ่หาความเจริญไม่ได้อย่างพระเจ้าอิซาตรูตกนรกหมกไหมกระทั่งทุกวันใ น, ในี้กือนี่แหละฆ่าพ่อเนี่ยนะอยากจะเป็นใหญ่เออรับพอนำมาเนี่ย